ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมมาเรื่องจงมีอายุเถิดพักคะชาดกโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21ทธันวาคม2538นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้น้ำบัตรนี้ค่ะ เพิ่มเรื่องก็ว่าวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งณ่า้ามกลางบริสัทสีที่ราชิกาลามซึ่งพระเจ้าประเสณที่โกศสให้จัดสร้างถวายใกล้พระวิหารเชตวันขณะแสดงธรรมอยู่นั้นเองนั้นพระองค์ทรงจามขึ้นภิกษุทั้งหลายได้พากันส่งเสียงเอ็ดอึงว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงพระชนยาวนานเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงพระชนยาวนานเถิดฟังทันไหมที่จริงคราวนี้ค่อนข้างจะแปลกกับชาดกเรื่องอื่นหน่อยนะชื่อก็ชื่อราชิการามนีราชิการามปกติก็เชตาวันปฏิหารเชตาวันอยู่เรื่อย อันนี้เป็นของพระเจ้าปรเสนที่กศลสร้างให้นะเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับวิหารเชตวันอันนี้พระเจ้าท่านแสดงธรรมใช่ไหมพอแสดงธรรมเสร็จก็จามพอจามปั๊บปรากฏว่าภิกษุอื่นๆน่ะหน้าที่ฟังธรรมอยู่นี่ก็พูดเลยเนี่ยขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระชนยาวนานเถิดหมายความว่าไง ขอให้มีอายุยืนยาวก็น่าที่หมายความว่ายังไงอ่ะทำไมต้องพูดอย่างนี้อ่ะเห็นว่าจามเป็นห่วงว่าว่าอะไรว่าจะป่วยว่าจะเจ็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไงแล้วขออ่า ขออย่างไงขอให้คือเจตนาขอเนี่ยเจตนาขอขออะไรขอให้เน mm OK> oh, ี่ยขอให้มีอายุยืนยาวอย่างแหละพูดง่ายขอทำไมอ่ะก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยอ๋อแล้วขออะไรอีกฮะ ก็คงจะหมายความว่าแหมอาตมาก็รอว่าใครจะพูดให้มันเข้าจุดน่ก็คงขอแบบว่าให้ถนอมรักษาสุขภาพตัวเองนะแม้ว่าจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่มันธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็ต้องเจ็บป่วยแม่ผู้เจ้าท่านก็หนีความเจ็บป่วยไม่พ้นท่านก็ต้องเจ็บป่วยใช่ไหมแต่เจ็บป่วยแล้วเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะป่วยแล้วมีหลายลักษณะ ป่วยล้วบางคนก็อาจจะไม่ค่อยสนใจนะรักษามัง่งหมายรักษามัง่งนะอาจจะทำํำไม่นอนทําให้นี่ไม่ค่อยจะดูแลตัวเองเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยขออย่างยี่หมายถึงว่าอยากจะให้ขอให้ดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมอืม <c oughs> ตอนนี้พอพูดอย่างยี่ไปสองครั้งใช่ไหม <c oughs> เพราะเสียงเอ็ดอึงนั้นได้ทําให้การแสดงทำหยุดลง ก็พูดง่ายๆว่าโอ้โหพระรูปนั้นก็พูดพระรูปนี้ก็พูดใช่ไหมพูดกันหลายคนเลยเพราะเป็นห่วงเมื่อเป็นอย่างยี่พระพุทธเจ้าก็เลยก็เลยต้องหยุดแสดงธรรมเพราะว่าเสียงมันดังไม่อย่างนั้นปกติเป็นงไงเวลาที่พุทธเจ้าแสดงธรรมนี่เป็นงไงจะเงียบเสียงกันหมดเลยจะไม่มีใครส่งเสียงเลยแม้แต่แม้แต่จะไอจะจา่าแม้แต่อะไรอยาจะมาพูดคุยกันมาอะไรเนี่ยจะไม่มี ส่วนใหญ่แล้วเวลาผู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะตั้งใจจะอะไรอ่ะเงียบสับพยายามที่จะฟังถึงไม่มีไมโครโฟนก็เถอะเอาเขาบอกว่าเสียงผู้เจ้าเหมือนกับอะไรเหม็นนกอะไรฮะเสียงเหม็นนกอะไรเหม็นนกกระเวก ไปเสียงชัดเสียงใสเสียงกลางวานเสียงดังพรมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้พอเสียงภิกษุนู่นก็ขอให้พระเจ้าใช่ไหมมีประชาชนอายุยาวนานอะไรเงี้ยนะรูปนั้นก็ขอรูปนี้ก็ขอก็เลยโอ้โหเสียงก็ดังเลยสิพระเจ้าก็เลยต้องหยุดแสดงธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขากล่าวในเวลาที่เราจามไปไปแล้วว่าขอให้ท่านจงมีอายุเถิดคำที่กล่าวดังนี้จะทำให้คนนั้นพึงมีอายุยืนยาวหรือจะพึงตายไปเป็นไปได้ไหมครูเจ้าก็ถามภิกษุอาแล้วถ้าพูดไปพวกคุณคุณจะตอบไงห <c oughs> มายความว่ายังไงให้ไม่ได้ คือมีคนเขาบอกว่าสมมติว่าเราอาเราเกิดอายเราจามขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมก็มีคนก็บอกว่าอ๋อขอให้ท่านอายุยืนเถอะนะขอให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยเถอะนะขอให้ท่านไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เถอะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการที่เขาพูดอย่างเนี้ยเขาพูดขอให้เราเราไม่ป่วยเนี่ยเราไม่เจ็บเนี่ยเขาขออย่างเงี้ยจะทําให้เราอายุยืนยาวจริงหรือว่าทําให้เราเนี่ยแบบว่าตายไปมันมัน อะไรอ่ะมันเป็นไปได้ไหมนั่นก็ถามว่าถามถามก่อนว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อ้าวก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องตอบมาก่อนว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจะขอให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอให้เขาหายป่วยขอให้เขาป่วยนะหรือจะขอให้เขาป่วยหนักมันมันมันไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะแล้วจริงๆแล้วแล้วจริงๆแล้วอะไรอ่ะที่ได้ ที่ได้มันก็คือว่ามันต้องเป็นไปตามกรรมของคนนั้นแล้วถ้าเขาจะป่วยเขาก็ต้องป่วยถ้าเขาจะป่วยเบาก็ป่วยเบาถ้าเขาจะป่วยหนักเขก็ป่วยหนักตามกรรมของเขา <c oughs> ใช่ไหมไม่สามารถที่จะไปอะไรอ่ะใบบังคับหรือว่าไปอะไรได้ทั้งนั้นไปอ้อนวอนขอก็ไม่ได้ให้กําลังใ จ, <c oughs> ใงใจอันนั้นเรื่องให้กําลังใจก็เรื่องให้กําลังใจ <c oughs> นะแต่อันนี้นี่ผู้เจ้าท่านตรัสถาม ว่าเนี่ยจะทําให้เราอายุยาวขึ้นหรือจะทําให้เราเนี่ยตายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนั้นเธอไม่ควรกล่าวในเวลาที่เขาจำว่าขอให้ท่านมีอายุเถิดหากผู้ใดกล่าวผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฏ โอ้โหาท่านบัญญัติเลยก็นนเมื่อภิกษุตอบอย่างนั้นกันมาแล้วใช่ไหยว่าเป็นไปไม่ได้ก็เมื่อเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้แล้วขอทําไมขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ความจริงขอในสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่สัจจะมันไม่ถูกต้องคําขอนั้นเป็นการขอที่ยังไงก็เลื่อนลอยก็หลอกลวงมันมันไม่อะไรอ่ะจะใช้ภาษาอะไร เป็นคําขอที่ทโมฆะที่ที่มันไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่เป็นสัจจะด้วยขอไปทําไมใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคาขออย่างเงี้ยนะว่าขอให้คนนั้นขอให้ท่านมีอายุเทออะไรเงี้ยท่านตัดรอบเลยบอกว่าใครเนี่ยภิกษุรูปไหนเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยนะอาบัตทุกกดนะไม่ได้อาบัตหนักนะอาบัตทุกกดนี่เป็นอาบัตเบา แต่ก็ถือว่าเนี่ยมีความผิดอาบัตินี่แปลว่าความผิดถือว่าเป็นความผิดวันถ้าใครขืนไปขอถือว่ามีความผิดเลยอันนี้พระเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วอา้าว ก, ก, ก็ก็เรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาจะอวยพรเงนก็อวยพรก็ไม่สิอันนี้พระเจ้าท่านพูดถึงถึงภิกษุเพราะว่าจําได้ไหมอมาจารย์เคยบอกว่าพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่า นับตั้งแต่ท่านตัดสรู้นาวิาทีวิาทีที่ตั้งแต่ท่านตัดสรู้มาจกนกระทั่งท่านปรินิพานไนี่ท่านบอกว่าไม่มีคําใดเลยที่ท่านตรัสแล้วเนี่ยจะไม่ใช่สัจจะจะไม่ใช่ความจริงทุกคำจะเป็นจะเป็นความจริงจะเป็นความถูกต้องนั่งนั้นเพราะฉนนั้จริงๆแล้วภิกษุก็ตามก็ต้องพูดแต่คําสัจใช่ไหมต้องพูดความจริงศิ่ก็สี่ก็กําหนดไว้อยู่แล้ว ก็ต้องพูดสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่พูดสิ่งที่มันมันไล่สาระไล่ประโยชน์หรือว่าไม่ได้เป็นความจริงเพระั้นท่านก็บัญญัติอันนี้ขึ้นมา mm hmm. ใช่ไหมว่าเพราะฉะนั้นพิกสูตรทั้งหลายนะถ้าใครพูดงนี้ถือว่าผิดนะเท่ากับว่าห้ามว่าไม่ควรพูด <c oughs> อะไรนะอาบัตเล็กน้อยนะไม่ได้ถึงกับอาบัตใหญ่ <c oughs> ทุกกฎนี่กฎก็กฎหมายตัวกฎหมายอ่ ทุกนี่ก็ทอทหารเสร อ, อูกอไก่นะทุกทุกกฎเป็นชื่อชื่อของอาบัตอย่างหนึ่งอย่างเช่นชื่ออาบัตปจิตตีอาบัตสังคธิเศตอาบัตปราชิกมันเป็นชื่ อ, อามันเป็นชื่ออันนี้ชื่อชื่อความผิดนิ้ว่าทุกกดโอ้โหคุณเล่นฟังบอกว่าทุกทุกกดเลยใช่ไหมโอ้โหงั้นอาบัตหนักเลยจิทุ ก, ท, กทุกกฎเลย อันนี้ไม่ใช่ชอเชอเ อ, อมันเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งนะมีมีหลายชื่ออยู่อ่ามีอาบัตทุกกดอาบัตอนเช่นนิสักยะปจิตตีอ่อะไรอย่างเงี้ยอ่มันมีหลายๆอย่างนะแล้วมันก็มีเนี่ยอันนี้หมายถึงเบาอันนี้หมายถึงหนักอะไรเงี้ยลักนะที่พพระพุทธเจ้าท่าบัญญัตินนี้ขึ้นมาปั๊บ ก็ในสมัยนั้นเองชาวบ้านชาวเมืองมักกล่าวกับพวกภิกษุในเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นจามว่าขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงมีอายุเถิดคือปรากฏว่าช่วงเวลานั้นนี่ผู้เจ้าทำเพิ่งบังหยัดใช่ไหมวันคราวนี้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยพอเวลาไอหรือว่าจามหรือว่าเกิดเจ็บป่วยอะไรอย่างก็แล้วแต่นะพวกชาวบ้านเห็นอย่างนี้ก็เป็นห่วงอ่ะ เมื่อเป็นห่วงก็มักจะพูดว่าอ้าวขอให้ท่านมีอายุยืนยาวนะขอให้ท่านสมบูรณ์แข็งแรงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มักจะพูดอย่างนี้นิมนี่เป็นปกติธรรมดาของชาวบ้านอยู่แล้วใช่มที่เป็นห่วงภิกษุทั้งหลายจึงตั้งข้อรังเกียจเพราะเหตุที่พระพุทธองค์ห้ามมิให้พูดเช่นนั้นจึงไม่พูดตอบเข้าใจัหมอันนี้คือพอ พอคารวาสเขาพูดอย่างนี้ไปใช่ไหมบอกว่าขอให้ท่านอายุยืนยาวเถอะพระท่านก็เฉยๆท่านก็ไม่ไม่รับไม่รับคําพูดนั้นเหมือนกับอย่างเช่นเวลาคนเจอกันอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าสวัสดีเนี่ยเป็นไงถ้าเขารับรับก็คือเขาก็สวัสดีตอบใช่ไหมเออเหมือนกันอันนี้ถ้าโดยปกติเนี่ยพอญาติโยมเขาบอกว่าข อ, ขอให้ท่านมีอายุเถอะ ใช่ไหมขอให้ท่านมีอะไรอ่ะมีความไม่เจ็บปวดเจ็บไข้เถอใช่ไหมถ้าเป็นพระโดยปกติท่านก็คงจะอา้าวขอให้โยมมีอายุนะอา่าโยุมัน่นขัญยืนนะหรือว่าอา้าวขอให้โยมสมบูรณ์แข็งแรงนะก็จะตอบไปคือมันเป็นเหมือนกับการปฏิทันฐานนะมันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนกับจารีตที่ปกติเขาจะใช้กันอย่างเช่นถามเอากินข้าวมาแล้วยังอะไรอ่างเงี้ยใช่ไหม าถามกลับแล้วคุณกินแล้วหรือยังล่ะอะไรอย่างนี้ตอนนี้พอผู้เจ้าบัญญัติอย่างนี้ใช่ั้มภิกษุก็เลยเอกับู้เจ้าห้าม บ, บ, บอกว่ามันไม่ดีใช่ไหมสหรับภิกษุท่านก็เลยไม่ตอบท่านก็เลยเฉยเฉยพอยมพูดมาอย่างนี้ท่านก็เฉยเฉยพวกคารวะก็เลยพากันถือโทษว่าอย่างไรกันนี่ส ม, มณะสักยะบุตรเมื่อเรากล่าวว่า ขอให้พระคุณเจ้าจงมีอายุเถิดแต่กลับนิ่งเฉยเสียไม่พูดตอบมาเลยนะ น, นี่ก็เลยชาวบ้านก็เลยถือโทษกันใหญ่เลยภิกษุถูกถือโทษอย่างนี้จึงพากันไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกขรือหัสเขายังพึ่งพาอาศัยการถือมงคลกันอยู่เมื่อขรืหัด เขากล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงมีอายุเถิดเราอนุญาตให้กล่าวตอบว่าขอให้พวกท่านจงมีอายุเถิด <c oughs> คือพระเจ้าท่านห้ามเนี่ยท่านห้ามภิกษุไม่ให้กล่าวกับภิกษุด้วยกันเข้าใจหมที่ท่านบัญญัติบัญญัติเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่เข้าท่าอะไรนะเพราะฉะั้นดูนะ้านนี่ดูความแตกต่างความ ละเอียดละ อ, อของพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปมีบัญญัติอะไรแล้วก็ตายตัวอะไรอ่ะไม่มีการรู้จักเบื้องต้นทำการบ้างปลายอะไรอย่างงี้ใช่พระเท่านก็ระดับหนึ่งท่านก็บัญญัติไว้แต่พอครั้นี้บอกว่าเออถ้าฆราวาสเขาพูดมาอย่างเงี้ยฆราวาสเนี่ยเขายังถือเรื่องของมนคลเรื่องของความสุขกายสบายใจเรื่องของการเหมือนกับให้ศีลให้พรใช่ม เขาเชื่อถืออย่างนี้ว่าถ้าเออพระท่านให้สีพรแล้วก็แหมรู้สึกว่าจิตใจก็สบายจิตบางคนเหมือนกันรู้สึกว่าอิมม่มบุญนะเหมือนกันได้บุญเพราะงบางทีหายเจ็บหายป่วยเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าเอามันมีพลังของจิตนะความศรัทธานะความเชื่อถือนะเชื่อว่าเป็นมงคลนะอ่ะเพราะบางคนนะโดนเคหัวแรงๆก็ก็หายป่วยนะ คือคือรักษาแบบวิธีไปให้พระเคหัวนะบางคนก็หายปวย่วยจริงๆริงจะแม้เพราะความเชื่อถือเพาความศรัทธาเอาบางคนให้ไปกินอะไรอ่ะน้ําชีไปกินอะไรที่ที่พระที่ที่เขาศรัทธานะโอ้กินด้วยความศรัทธาบางทีก็โอาหายได้อะไรเงี้ยอ๋อโดนถีบอ๋อบางคนโดนถีบนี่กิเลสหลุดเลยนะหมายความว่าเชื่อเอา มันเป็นพลังจิตจริงๆไอ้ความเชื่อนี่นะมันเป็นพลังจิตแล้วจริงๆแล้วพลังจิตคนนั้นแหละที่ไปรักษาตัวคนนั้นเองนะไม่ใช่เพราะว่าโดนถีบแล้วหายโดนเคหัวแล้วหายมันไม่ใช่แต่เป็นพลังจิตคนนั้นอะความเชื่อมั่นเนี่ยนะความศรัทธาเนี่ยมันทําให้มันมีฤทธิ์เมื่อจิตมันมีฤทธิ์เนี่ยมันมีกําลังเมื่อจิตมีกําลังเนี่ยมันก็ไปเสริมสร้างอวัยวะอะไร ภายในต่างๆเนี่ยทําให้มันแข็งแรงทําให้มันตื่นตัวขึ้นมาด้วยลมก็แหมเดินเพี้ยป้าเพี้ยพระเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่แค่เชื่อมั่นเฉยๆแต่นี่ไงบอกแล้วว่ามันมาเป็นพลังพอมันมันเป็นพลังเสร็จพลังเนี่ยแหละมันไปช่วยทําให้อวัยวะเนี่ยมันมีกําลังขึ้นมาช่วยทําให้อวัยวะเราต่างๆเนี่ยมีกําลังมันก็แข็งแรงขึ้นมาเพราะพออวัยวะต่างๆแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยมันก็ ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมานี่อะไรมาเป็นพลังอย่างนี้มันก็เลยทําให้รักษาโรคได้พราะบางคนเนี่ยเขารักษาโรคด้วยพลังจิตนะบางคนเขาไม่ได้ใช้ยาแต่เขาใช้พลังจิตเนี่ยรักษาซึ่งก็มีหลายๆที่หลายๆแห่งอย่างเช่นพวกโยเรพวกอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของพวกที่ใช้พลังจิตเนี่ยรักษาโรคทั้งๆที่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่จิตของเราเนี่ยไปทําให้เขา หายหรอกส่วนใหญ่เป็นจิตเจ้า ต, ตัวเขาเองที่เขามีพลังของความศรัทธาความเชื่อถือที่มันแน่วแน่เนี่ยก็เลยทำให้รักษาตัวเขาเนี่ยได้แล้วก็เลยทำให้หายจากโรคได้ทีนี้พูเจ้าท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นระดับพระนี่ไม่ควรทำใช่ไมเอ่อมันไม่เหมาะสมแล้วมันเป็นความผิดด้วย่ระดับพระนะแทนที่จะเป็นมงคลให้กับพระใช่ไหมไม่จะเป็นมงคลนะสำหรับพระ กลเป็นความผิดเป็นสิ่งไม่ควรทําคุณดูให้ดีว่าถ้าอย่างนี้พระไปทําไม่ดีเลยเป็นความผิดแต่สําหรับคราวาสเอาอนุโลมให้เขาเพราะเป็นมงคลเป็นดีสําหรับคราวาส ด, ด้วยซ้ํำไปคุณดูเอาแล้วกันจริงๆแล้วมันไม่น่าเป็นใช่ไหมวันที่ท่านอนุโลมเนี่ยท่านอนุโลมนะฟังด้วยดีนะพวกค้รืหัดเขายังถือมงคลเงินอยู่ เพาะฉะเฉพาะคนที่ถือเรื่องมงคลนะคุณฟังดูว่าในคารวาสเนี่ยท่านก็ยังหมายถึงว่าออส่วนใหญ่หรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขายังเชื่อเรื่องมงคลเนี่ยก็อนุโลมให้เขาอนุโลมให้เขาแต่คารวาสที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่จําเป็นใช่ไหม ถ, ถึงจะไม่ต้องบอกกลับไปเขาก็ไม่ถือสาเขาก็ไม่มาเพ่งโทษ เห็นไหมเพราะเขารู้แล้วว่าอะไรคือมงคลจริงอะไรไม่ใช่มงคลใช่ไหมการที่บอกว่าอา้าวขอให้ยุมั่นฝันยืนนะเขารู้แล้วว่าขอก็ให้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมให้แล้วก็ไม่ใช่ได้จริงมังคนนี้มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ใช่ไหมถึงไม่ให้มาถึงไม่บอกว่าอา้าวขอให้ยุมั่นฝันยืนนะถึงไม่บอกมาเขาก็เฉยเฉยไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราจะ เจ็บป่วยไหมหรือเราจะหายเจ็บป่วยไหมเราจะมีความสุขความจเจริญในชีวิตไหมนี่มันอยู่ที่กรรมของเราเห็นไหมถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะไปถือสาอะไรอะ่ะพอเราบอกไปแต่ท่านไม่บอกกลับมาก็ไม่เห็นจะไปเสียใจไม่เห็นจะต้องไปเพ่งโทษอะไรใช่มเ้อเพ้อยังจะรู้อีกว่าเออท่านองค์นี้นี่ท่านมีความรู้ท่านมีความเข้าใจใช่ไหท่านถึงได้ไม่มาวววอวยพรแบบนี้กับเรา จะอย่างนี้ซะอีกแต่ตอนนี้ผู้เจ้าเนี่ยท่านหมายถึงคนที่ไม่รู้อ่ะคนที่ยังยึดอยู่ใช่ยึดในเรื่องของว่าอย่างนี้แหละเป็นมงคลทั้งที่จริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกแต่ตอนนี้พอยึดอยู่อย่างนี้ท่านก็อนุโลมให้ให้บางเราะันเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอนุโลมนะเพราะว่าท่านบัญญัติห้ามเอาไว้อยู่แล้วสำหรับภิกษุ และอนุโลมให้กับค า, ารวาสนะว่าถ้าค า, ารวาสพูดมาก็ให้ให้พูดตอบว่าก็ขอให้ท่านจงมีอายุเถิดจริงๆคําว่ามีอายุนี่ยถ้าในของสมาทิฐิเราจริงๆเรามักจะเน้นหมายถึงอะไรอย่างเช่นท่านผู้มีอายุอะไรเงี้ยพอท่านพูดเรื่อยๆหมายถึงอะไร หมายถึงผู้มีอิทธิบาทหรือผู้ผู้มีการงานอยู่นะด้วยความเพียรอยู่นะัเราถือว่าเป็นเป็นผู้มีอายุเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสําหรับว่าถ้าผู้ที่เข้าใจนะแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านจงมีอายุเนี่ยถ้าเข้าใจอ ย, อย่างสำมาทิฐีก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมถ้าคุณแบบว่าคุณเข้าใจจริงๆนะอ่าบอกว่าอ่าหมายถึงว่านิยามตรงกันว่าขอให้คุณจงมีอายุนะก็หมายถึงว่า ขอให้คุณเนี่ยจงมีอิทธิบาทนะขอให้คุณมีความเพียร น, นะขอให้คุณมีอะไรอ่ะมีการที่จะทําอะไรต่างๆเนี่ยมีความเจริญก็ด้วยการกระทำของของคุณนะคือถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเข้าใจกันอ่อย่างนี้จะไม่มีปัญหาถ้าถ้าเข้าใจครับว่าเรื่องของอายุเนี่ยอนนี้ผู้เจ้าก็บอกอนุโลมให้ใช่ไหม ภิกษุทั้งหลายรับคําแล้วพาการกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมดาการกล่าวโต้อตอบกันว่าจงมีอายุเถิดดังนี้เกิดขึ้นเมื่อไรเล่าคืออยากรู้ต้นสายไปเหตุ <c oughs> อยากรู้ต้นสายไปเหตุว่าวัานนี้มีการเหมือนกับให้ศีล ใ, ให้พรมีการเหมือนกับไม่ใช่ศีล ใ, ให้พร มีการเหมือนกับให้พรเนี่ยให้ศีน่าถูกแล้ว <field music> นี่มันเป็นสำนวนอีกคร่บเนี่ยมันติดสำนวนนี่มาว่าให้ศีนให้พรแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ศีนแต่พรนี่มันให้กันไม่ได้หรอกนะของใครก็ต้องของคนนั้น <c oughs> <c oughs> พิกษุก็เลยถามว่ามันมันมีอะไรอ่ะต้นสายไปเหตุหรือว่ามันมีไอ้จารีอย่างเงี้ย ม, มาเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ไหนกันพระศาสดาตรัสว่า ธรรมดาการโต้อตอบการเยี่ยงนี้ได้เกิดขึ้นแต่โบราณกาลมาแล้วและทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าเอาล้เนี้ยตอนนี้จะเริ่มและพักข้ชาดกว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งในแคว้นกาสีบิดาของเขา ทำการค้าขายเลี้ยงชีพอยู่ในแคว้นนั้น <c oughs> บิดามักให้พรามานพซึ่งมีอายุได้16ปีนำสินค้าเครื่องแก้วมณีเดินทางไปในบ้านและนิคมอื่นๆเสมอคือพูด ง, ง่ายๆว่าเป็นพรามนะดูนะพ่อนี่เป็นพรามลูกก็เป็นพรามแต่เป็นพรามประเภทไหนเนี่ย เป็นพราหมณ์แบบพ่อค้าคือพราหมณ์ที่เริ่มเพี้ยนแล้วนะไม่ใช่พราหมณ์แบบนักบวชชนิดที่เรียกว่าคือนักบวชเดิมเนี่ยจะเหมือนกับสมณะเหมือนกับพระนะแต่นักบวชหลังๆมาเนี่ยของพราหมณ์เนี่ยเพี้ยนไปแล้วเพี้ยนไปแล้วเริ่มไปเป็นพราหมณ์มหาศาลเริ่มไปเป็นพราหมณ์ไปเป็นแบบกษัตริย์ปกครองเมืองมั่งเนี่ยไปเป็นพราหมณ์พ่ อ, พอค้ามั่งไปเป็นพราหมณ์อาชีพโน้นอาชีพนี้มั่งคือมาเริ่มเสื่อมเริ่มเพี้ยนไป อันนี้เนี่ยเป็นพราหมณ์แบบพ่อค้าใช่ไหมก็พ่อกับลูกก็เดินทางไปขายของอยังเมืองต่างๆอยู่เสมอๆครั้นกลับมานะมีอยู่ครั้งหนึ่งคราวนี้ครั้นกลับมาถึงกรุงพาราณสีก็มืดค่ำมากแล้วประตูเมืองปิดจึงคุ้หาอาหารกินกันใกล้เรือนของชาวบ้านแถวนั้นแต่เมื่อหาที่พักไม่ได้จึงถาม จึงถามว่าพวกคนจนหากเดินทางมาผิดเวลาจะพักได้ที่ไหนเล่าคือปรากฏว่าเข้าเมืองไม่ได้นะประตูเมืองปิดแล้วมันมืดมากท่านี้ก็เลยพักอยู่ริมกำแพงเมืองนั่นแหละนะหุงหาอาหารกินกันเสร็จก็เตรียมหาที่พักหลับนอนแต่ยังหาไม่ได้ชาวบ้านริมกำแพงเมืองจึงได้บอกว่านอกพระนครนี้ มีสาราอยู่หลังหนึ่งแต่สารานั้นมียักษ์ยึดครองอยู่ถ้าท่านไม่กลัวก็จงไปพักอยู่เถิดเอาละนะเรื่องนี้มียักษ์อีกแล้วยักษ์นี่แมกความว่าไงพูดบ่อยมากฮะยักษ์เอาความใหญ่เอาอะไรอีกเอาคนไม่มีศีลและอะไรอีกนะ เอาความหยาบกระด้างความโกรธน ะ, ะยากมีหลายประเภทคือคืออยากให้เราคือต้องพูดแบบบ่อยเนี่ยเพราะว่าให้เราฟังแล้วเนี่ยเกิดจินตนาการเกิดภาพพจน์เลยว่าว่าถ้าพูดถึงยักษ์ปับ๊บอ๋อย่างน้อยๆนะเริ่มแรกต้องรู้ว่าหมายถึงไม่มีศีลคําว่ายักษ์เนี่ยหมายถึงไม่มีศีลก็หมายถึงคนเราเนี่ยแหละนะ อย่าพยายามไปจินตนาการเป็นยักษ์ที่วัดโพวัดแจงวัดอะไรนะ่ะนะอย่าไปจินตนาการอย่างนั้นนะทจริงควรจะจินตนาการถึงหน้าตัวเองนะ เ, เวลาเป็นยักษ์นะโกรธใครก็ตามนะหรือว่าแบบทะเลาะกับใครก็ตามนะหรือว่าเวลาเนี่ยศีลขาดไม่มีศีล น, นะให้นึกอย่างนั้น นั่นตอนนี้พอบอกไปอย่างนี้เสร็จใช่ไหมว่าอ้าถ้าท่านไม่กลัวท่านก็ไปพักศีารลานั่นแหละพระาหมณ์นพยิ้มแล้วก็กล่าวว่ามาเถอะพ่อเราจะไปพักที่นั่นอย่ากลัวยักษ์เลยฉันจะทรมานยักษ์ให้มอบลงแทบเท้าของพ่อเองคือลูกก็รื้อเขิลมันนะไม่กลั ว, ลวยักษ์เยอะกเลยก็เลยพาพ่อไปพักแล้วก็พาบิดาไปพักในที่นั้น ให้บิดาได้นอนบนพื้นกระดานส่วนตนเองนั้นส่วนตนเองนั่น น, นวดเท้าให้บิดาอยู่ขณะนั้นเองยักษ์ซึ่งครอบครองศาลานั้นผู้เคยคือยักษ์ตัวนี้นะเคยอุ ป, ปถากเท้าเวสว ร, รัน์อยู่ถึงสิบสองปีจึงได้พรจากจอมยักษ์มาว่าบรรดามนุษย์ใดซึ่งเข้าไปยังศาลานี้หากใคร กล่าวในเวลาที่คนอื่นจำว่าขอท่านจงมีอายุเถิดหากใครกล่าวตอบว่าท่านก็เหมือนกันขอให้มีอายุเถิดเว้นคนที่กล่าวโต้ตอบเหล่านั้นเสียแล้วที่เหลือเจ้าก็จงจับกินเสียเถิดคือได้พรมาจากเท้าเวสวร์เท้าเวสวร์หมายถึงหมายถึงถึงเออหัวหน้ายักษ์หรือจอมยักษ์คนหนึ่งนะ ยักษ์นี่มีหลายอย่างนะมีหลายยักษ์ไม่ใช่ยักษ์คิ้วยักษ์เอวยักษ์ไหลนะยักษ์นี่เขาน่ยอย่างที่บอกแล้วหมายถึงว่าพวกไม่มีศีเนี่ยพวกมีศีลมีหลายประเภทเยอะแ ย, ยะเลยแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับสําหรับยักษ์ตัวเนี้เป็นลูกน้องพูดง่ายเป็นลูกน้องท้าวเวสสวรรค์ซว่าเป็นลูกน้องเจ้าพ่อเจ้าพ่อคนนี้นะเป็นเจ้าพ่อที่ชื่อเวสสวรร์ อ่านะอ่ามันถึงจะเห็นชัดชัดหน่อยนะเป็นลูกน้องเจ้าพ่อคนนี้แล้วก็อยู่กับเจ้าพ่อคนนี้มาสิบสองปีนะเจ้าพ่อคนนี้ก็บอกว่าเออนะให้ให้ศาลาหลังเนี้ยเองหากินอ่าศาลาหลังนี้ทำเลตรงนี้ให้เองหากินถ้าใครจะมาพักแถวนี้นี่สมมุตินะต้องเสียค่าต่องให้เองอ่ถ้าไม่จ่ายให้เองแล้วก็เองจัดการได้เลยนะแต่ในเรื่องนี้เขาไม่ได้อย่างนี้นะ ในเรื่องนี้เขาหมายความว่ายักษ์นี่จะมีสิทธิ์กินได้นะคือเจ้าลูกน้องคนนี้นะจะมีสิทธิ์จัดการคนได้นี่ต้องหมายถึงว่าถ้าถ้าเกิดมีใครจามหรือว่ามีใครป่วยอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้วมีคนมาบอกว่า อ, อ๋อขอให้ท่านมีอายุเธอนะขอให้ท่านหายป่วยเธออะไรงนี้เพื่อง่ายว่าเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้นี่นะเออมี รู้รในอันนั้นเหมือนกันเขาเรียกว่ารู้อะไรรู้ว่าจะเป็นเจ้าพ่ออยู่ได้นานเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะใช้แต่อํานาจความเลวปกครองคนไแต่นั้นไม่จริงอะ่ะแม้แต่เป็นเจ้าพ่อมาเฟียก็ตามนะก็ยังยต้องมีการใช้อํานาจหรือว่าใช้พระเดชพระคุณด้วยเหมือนกันถึงจะอยู่ได้นานอันนี้ผู้เจ้ามีตัดไว้ด้วยผู้เจ้าจะมีตัดเอาไว้ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ปฏิบัติ ใช่หมายถึงโจรเนี่ยจะโจรเนี่ยจะโดนทําลายหรือจะอะไรไปเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นสมมตินะว่าทําร้ายเด็กผู้หญิงหรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะแม่อัตมาก็ไม่ได้จดไม่ได้จําเลย <c oughs> มีอยู่ห้าหข้อเนี่ยคุณเจ้าทัณฑตรัสอ่ใช่คืออย่างน้อยเนียเน่ยแม้แต่พวกโจรก็จะต้องรู้ว่าว่าไอห้าข้อเนี้หรือว่า6ข้อนี้ไม่ควรทํา ถ้าโจรเนี่ยทำได้อย่างอย่างนี้นะก็สามารถที่จะอยู่รอดไปได้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาเคยอ่านๆก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าทึงมาตัดอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นี่ก็เอ๊ะโจรมันก็อยู่ได้นานนะ <c oughs> มั น, ม, นมันน่าคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยนาก็เดือดร้อนจากโจรใช่ม ถ้าเราสามารถที่จะสอนโจรเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ใช่ไหมสามารถที่จะสอนโจรให้มันดีขึ้นได้เนี่ยชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเดือดร้อนน้อยลงวันบางทีนี่นะบางทีการที่เราช่วยเหลือคนเนี่ยนะอาจจะสอนพวกคนเร็วๆก็ได้ให้คนเร็วๆเนี่ยชั่วน้อยลงใช่ไหมคนดีๆในสังคมก็จะเป็นสุขมากขึ้น การที่จะช่วยคนนะนะหรือบางคนก็เอาละไอ้คนเลวที่ปล่อยไว้ก่อนพยายามช่วยคนดีให้คนดีจะดียิ่งขึ้นใช่ไหมถ้ามีคนดีดียิ่งขึ้ น, ม า, ม, น, นมากขึ้นมากขึ้นเอาก็มีอำนาจมีพลังเหมือนกันที่จะไปทำให้คนเลวก็ต้องอาจจะลดลงหรือว่าไม่มีกำลังที่จะมากล่มเหงหรือว่าทำร้ายคนดีได้เห็นไหมมันก็มีมุมอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยสหรับยักษ์ตัวนี้เนี่ย นี่ได้มาจากเจ้าพ่อว่าถ้าสมมติจามแล้วเนี่ยใครจามแล้วมีคนพูดว่าเอาขอให้ท่านมีอายุยืนยาวแล้วมีคนตอบด้วยคือคือแค่ว่าถ้าใครพูดว่าขอให้ท่านมีอายุยืนยาวเนี่ยนะก็คนนั้นน่ยยักษ์ตัวนี้จะกินไม่ได้ละแล้วถ้ามีคนอื่นพูดอีกเหมือนกันว่าเอาก็ขอให้ท่านมีอายุยืนยาวก็แล้วกันนะก็กินคนนั้นไม่ได้คือใครพูดคํานี้เนี่กินไม่ได้แล้ะซึ่งจริงๆแล้วก็หมายความว่า แสดงว่ามีน้ำใจเพราะนั้นยักษ์นี่จะกินคนที่ไม่มีน้ำใจ <c oughs> นะยักษ์ในที่นี้จะกินคนที่ไม่เป็นห่วงคนอื่นเลยไ ม, ไม่ได้สนใจคนอื่นเลยนะใครจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน <c oughs> ใครจะป่วยก็ช่างเองเลยนะใครจะฝึดฝัดฝึดฝัดจามโน่นจามนี่นะใครจะอะไรอ่ะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ ปวดท้องปวดแข้งปวดขาปวดอะไรก็แล้วแต่นะกะ็เออก็ช่างเองครับเรื่องของเองนะาข้าไม่ถามไทยข้าไม่สนใจด้วยอย่างนี้แหละยากตัว น, นี้มีสิทธิ์กินได้หมดเอเพราะยักตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยฮะยากตัว น, นี้น่าจะเป็นกินเลสตัวไหนฮะยากตัวนี้น่าจะเป็นกิเลสตัวไหนที่อา่าตัวเห็นแก่ตัวตัวอยู่ในภพตัวเองมากนะ่ะ ไม่ได้สนใจคนอื่นเขาเลยเอนั่นแหละนะมันจะเป็นกิเลสตัวพวกเนี้ย<ม>ของเราทุกคนนะ่ะว่าถ้าเรามีอยู่เราก็บางทีก็โอ้ยงานของเราเรามีงานเราอยู่เอ็นั่นมันจะเอ็นั่นเดี๋ยวเดี๋ยให้งานเสร็จก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยพาไปหามหมอบางที่บางทีงานแล้วก็ไม่ได้เล่งอะไรนะบางทีก็เห็นว่าในงานของเรานี่สําคัญกว่าเพื่อนก็จะตายหรือว่า เพื่อนนี่เจ็บป่วยได้ไข้อะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่สาคัญกว่าไอ้นนเอาไว้ก่อนถ้าอย่างเงี้ยโดนยักกินนะโดนกิเลสไอ้ตัวที่จะเอาแต่ตามใจตัวเราเองนะเอาตามพบของเราเองเอาตามอะไรอะตามแต่ความคิดของเราเองโดยที่ไม่ได้สนใจเพื่อนฝูงเลยนะจะโดนกิเลสตัวพวกเนี้มันกุ้มลุมแล้วมันก็กิน วันใครเป็นอย่างนี้โดนยักกินหมด